ที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกปึกทรมานยากดีไม่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้ชิบหายสิ้นสซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้าแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปรบาบทนั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับทำหมดใดก็ยอมรับทันทีทันใด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 สิ้นสู์ไปจากใจนั่นแหละยังจะนอนใจได้อยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทระองคงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไทยและพระเมตตาจริงๆคําว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้ น, นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธการรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอืมตามความคาดคิดอะไรเลย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 อันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกําลังเพื่อทําลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันทุงทีกิเลสเจ้าม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกําลังขึ้นทําลายจิตแะธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นผัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลังเผอได้เป็นการดีความไม่พลังเผลยนั่นแหละคือทำนกเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิด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 กิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีพอดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโรซาไว้อย่างถึงใจว่าทําเจริญหน้าที่ใดกิเลสจ้อมซึมและดับสูญไปณที่นั้นคําว่าที่ใด น, นักปฏิบัติทั้งหลายเพงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากัน ห้ามหันฟันฟาฆ่ากิเลสด้วยความกล้าายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกําลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลุกลุกคําเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะ ก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาทั้งหลายที่มีเคยรู้เคยเห็นมา ก, ก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขีดใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็สิ่งที่มีอำ น, นาจมากเหนือสิ่ง ใ, ใดๆในโลกสั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมารคผลนิพพานได้อย่างมิคิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมารคผลนิพพาน ให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรดกับมรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปต้นใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคล ใ, ใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของาศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกโดยความถูกต้องแม่นยําตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่น สั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกดสงัดคืนวันหนึ่งใ น, นาราษาทราบว่าวทันรรมภาษาอยู่ด้วยกันสององค์เวลาดึกดสงัดท่านกําลังนั่งภาวนาอยู่ในกูดีเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลาพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่าวมาจากที่ไหนเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกูดีท่านและเดินตรงเข้ามาหากูดีท่าน แต่เพ อ, เอิญกุดีด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุดีจนถึงกรดและมุ่งบนศีรษะท่านที่กําลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูตรลมหายใจดงกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดาฟดาดจนกรดและมุ่งไหวไกวไปมาและเย็นไปถึงศีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจ ฝากเป็นฝากตายกับพุโทโธจริงๆไม่มีที่อาศัยช่างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลาสองชั่วโมงเศษและคงยืนดักนิ่งอยู่ทํานองนั้นรากับจะคอยักครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้นนานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่งท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุดีแล้วเอามือล่วงเข้าไปในตะก้ามาขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกร่วมกร่วงอย่างอร่อยอร่อยท่านจะนึกว่าทีนี้มะขามสําหรับขัดฝาบาทเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนถ้าหลวงเจ้าท้องใหญ่พงหลวงได้กวาถูกมือแล้วเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยงในตะกร้ามหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุดีเราคราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอยากระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันสิบ้านเพราะสัตว์พันนี้มารู้ภาษาคนได้ดี เนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงฟังเสียงเราน่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามาหากมันฝืนทะลึ่งพรวดพลาดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นแม้เราไม่ออกไปพูดกับมันแต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตายหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ําคืนตาก็มองไม่เห็นหนทางอะไรด้วยพอตกลงใจแล้วท่านก็ออกจากกุดีเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุดี แล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยคำสองคําขอพี่ชายจงฟังคําของน้องจะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียเรากับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มมัทุพาสิทธ์กับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้ส็จทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่าง ยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทําอะไรตามใจชอบเพราะการทําบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทําอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคงกว่าพรนธุสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์ จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าได้ดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศรีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าหายตายพี่ชายจงจาไว้อย่าได้ลืมคําที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อ น, นี้ไปพี่ชายจงรับศินห้าน้องเป็นพระจะให้ศินห้าแก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างตา่ําก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจ ยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสตัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นมา้าให้เขาขับขี่เขี่ยนตีและขนไม้ขนเฟินซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็มาได้ดปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับสินด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่หนึ่งปานาอย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกาลังการกระทาของตน และาเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อสองอธินาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของห่วงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฟ้าบาปแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบวาเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อยากินอย่าเหยียบย่ําทําลายมันเป็นบาปข้อสามกาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของห่วงแหนมันเป็นบาป ถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อสี่มุสาอยาอ่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริงอย่าแสดงเป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อห้าสุราอย่ากินของมึนเมามีสุราเมรัยป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรก แม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งคำชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากรรมตนที่เคยทํามากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลาบากเพราะคำชั่วกดทวงไว้พี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทําตามคําที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกําเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละ่ะน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชาจะยินดีทงสาม ตอนนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุกใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอาพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่นาพระลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้อวัตสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลย ยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้สินให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปั ง, ปงราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ ร, ร, ราวกับคําสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคําสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกําลังมาก แต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคําผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าที่นี้พี่ชายไปได้แล้วเท่า น, นั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคําสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศพระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีว า, ายแยบคายเลือกเว้นคําแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจเพลาะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟัง แม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นคํามัทธุพาสสิทธิ์ที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอาจพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช่างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะทั้งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประษาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทําให้คิดซึ่งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่า ไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทําให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืนใจทราบสั้นเพราะดิพิติความพอใจใหญ่ดีในปิยะวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแกจิตใจหลวงปู่ขาวท่านช่างพูดช่างยอพูดยอที่จนช่างใหญ่ตัวนั้นเคล้มหลับไปด้วยคําอ่อนหวานที่มีรสซึ่งฝังอยู่ภายใน เช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกําลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเกรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวคลืนเข้าไปบ้างแล้วก็วอยากจะคลายออกมาใส่จัฆ่าให้น้องชายผู้หนาทักหน้าสงสารเสียสิน้นไม่อยากให้ติดปางติดทองไปซะเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช่างโตใหญ่มีกําลังและแสนรู้เระหนึ่งตู้มงคนเครื่องทีได้ พอได้รับคําสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลําพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรอบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกปรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอาศัศจรรย์ใจสัต์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบําเพ็ญสมณะธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาถรรพ์เด็ดเดี่ยวมากประจํำนิสัยทําอะไรทํำจริงท่านพักอยู่ในภูเขาได้ได้ให้ญาติโยม ทำทางจงกรมไว้สามสายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่สองเดินบูชาพระธรรมสายที่สามเดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านท่านเดินจงกรมทั้งสามสายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงที่อยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่ายสองโมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่ายสี่โมงถึงเวลาปัดกวาดสงน้ําจึงหยุดเมื่อทําข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงเดินสายสังฆ บ, บูชาไปจนถึงสีถึงห้าทุมจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจังหวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตก็หยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งจใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติ ขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกปุสิ้นเชิงแม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้อย่งลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแน่นแนขณะนั้นปรากฏจำพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียด ปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิตจนกว่าถอนขึ้นมาอารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กแต่ น, น้อยจากนั้นก็ทําความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าหลวงปู่ขาวชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลย ก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้าอีกที่แม่ปางจังหวัดลําปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างฝาจริงๆไม่ได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกําลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดงังปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างฝาทั้งหลายมักกลัวแสงไฟ ท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนขยในที่พักมาจุดทีละหลายหลายเล็กปักเสียพ ร, รอว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเคียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราสร้างไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียไว้เสียเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบมรดาลคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกัน อย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทําอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึงอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วน ใ, นใดๆณข้างทางจงกรมข้างจากท่านประมาณวางเสกท่ามกลางไฟกําลังสว่างสวายอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆนี่เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลย ทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาขาอย่างพึงพ่ายทีแรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุโทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่ทั้งภูเขาทั้งโลกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมทรงกิตออกไปหามาันกลัวจิตจะพลาดจากพุโทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้น พุโทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุโทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหูกลางพึ่งราวกับจะแผ่เมีตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขยามอย่างไม่เรียรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสั์ไม่มีหัวใจ พอจิตกับพุโทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีหนำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแน่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นศาสตร์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทําจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้น นับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษเศษไฟเทียนขายชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนานตาไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุโทโธประจักษ์ใจในข่าวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจําเป็นจริงๆ ไม่สามารถจะหลบปลีกปลิดตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทําให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ต า, ามถ้ากิดกับพุโทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทําอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้ว แทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดงคงยืนนิ่งหู่กลางอยู่อย่างสงบแต่ดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเซนทาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบท้องไม่รู้ร้อนและหาเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสําหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กําเนิดซึ่งมีอายุไม่ม่ึงกว่าร้อยปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉย อ, อยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขงมานานเฉพาะคราวนี้ทําไมาจึงมาที่อยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลาดจากโขงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม่ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจได้เห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้า แต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบรรดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน่าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเร า, ท, าทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบดาน แทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกําลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุบหัวปําเข้าป่าไปก็ไม่ไนเมื่อเดินอย่างองอาจชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนขื่อดูเราอยู่เป็นเวลาทั้งชั่วโมงเสร็จจึงหนีไปแบบธรรมดาม่ได้ ก, กล้าไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดคิดสมวงมงงนันอยู่ไม่ลืมจนแบบนี้เวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขา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 ตั้งหน้าสู่ตายกับการภาวนาด้วยความมั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้วแรกแรกได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบายเสมอในเวลาเป็นไขโดยยกเรื่องท่านขึ้นเป็นพยานว่าท่านจะได้กำลังใจสำคัญสำคัญทีไรต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิน้นเจ็บหนักป่วยหนักเท่าไหรสติปัญญายิ่งหมุนตัวดีและรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วยโดยไม่ต้องถูกบังคับให้พิจารณา และไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลยนอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและโหลมเข้ามาในเวลานั้นด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำจนชำนิชำนาญบางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาตื่นขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเน็บเน็บว่าท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตายทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่กาลังเป็นอยู่ขณะนี้ในภพชาติที่ผ่านมา เพียงทุกในเวลาเป็นไข้ธรรมดาซึ่งโลกโลกเขาไม่ได้เรียนทำเขายังพออดพอทนได้บางรายเขายังมีสติดีมีมันยติงามกว่าพระเราเสียอีกคือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครัางฮึงเนื้อถึงตัวเหมือนพระบางองค์ที่แย่ๆซึ่งไม่น่าจะมีแฝงอยู่ในวงพุทธศาสนาเลยและไม่น่าจะมีเพราะจะทาศาสนาให้เพื่อนเปอะไปด้วยแม้เจ็บมากทุกมากเขายังมีสติ ควบคุมมันยากให้อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชมผมเคยเห็นคราวาดป่วยมาแล้วโดยลูกๆเขามานิมนต์ผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาชวนตัวจะภัยไม่รอดพ่อเขาอยากพบเห็นและกราบไหว้ในเวราสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆขณะเราเข้าถึงบ้านพ่อเขาพอมองเห็นเรากําลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอนเท่านั้นทั้งที่กําลังป่วยหนักปกติลูกนั่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยประยุงกันแต่ขณะนั้น เขายังสามารถลุกพรวดพลาดขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆปรากฏเหลืออยู่พอให้ทราบเลยว่าเขาป่วยหนักเลยทั้งกราบทั้งไหวด้วยความรื่นเริงบันเทิงในจิตใจและมันญาติที่อ่อนน้อมสวยงามจนใครๆในบ้านเกิดพิสวงง ง, งันไปตามๆกันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยลําพังคนเดียวได้อย่างไรเมื่อปกติแม้จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือ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 ส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทําไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทําให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานแต่ขืนเป็นการลักษณะนี้มากๆาศาสนาต้องถูกตําหนิกรรมฐานต้องรมจมไม่มีใครสามารถส่งไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเกียงให้กิเลสมันสับเอาย่ำเอา